เรื่องภิกษุอาพาธเป็นหน่อที่เทา้าส4 9สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นหน่อที่เทา้าพวกภิกษุต้องพยุงภิกษุนั้นไปถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกตามเสนาสนะทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุกำลังพยุงภิกษุรูปนั้นไปถ่ายอุจจาระบ้าง ถ่ายปัสสาวะบ้างจึงเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้อาพาธเป็นอะไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าท่านรูปนี้อาพาธเป็นหน่อที่เท้าพวกข้าพระพุทธเจ้าต้องพยุงท่านไปถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างพระพุทธเจ้าข้า ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้มีเท้าเจ็บเท้าแตกหรืออาพาธเป็นหนอที่เท้าสวมรองเท้าได้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไม่ล้างเท้าขึ้นเตียงบ้าง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 ไม้เท้าในอาราม